ขอโอกาสครับจเจริญพนทุกทุกท่านนะก็ก่อนมานำมีแต่เด็กๆนะคราวนี้ค่อยปีเดียวจะแก่ไปเยอะเลยก่อนหลวงพ่อเทศนะเราบางคนอาจะไม่คุ้นวิธีฟังเทศจากหลวงพ่อนะเวลาเราฟังธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็นเวลาที่มีความสำคัญ เหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านกำหนดไหมให้พระธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนท่านางั้นเวลาของการฟังธรรมเนี่ยเราต้องฟังด้วยความเคารพนะอ่อนน้อมต่อธรรมะเราต้องไม่มีใจที่วกแวกไปงั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพวกเราได้นะนแรกในเรื่องงดถ่ายรูปนะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ย ใจเราก็ฟุ้งซ่านคนข้างๆเราเาก็ฟุ้งซ่านไปด้วยทำให้การฟังธรรมของคนอื่นเขาชะงักไปเป็นบาปของเรานะเรื่องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือตอนนี้มีกันทุกคนเลยก็ปิดเสียงซะก่อนให้เวลานะปิดเสียงไปซะก่อนชั่วคราวเวลาอะไรก็ไม่สำคัญเท่าเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะ ในสังสารวัตที่ยาวนานเนี่ยมีเวลาทำอะไรต่ออะไรอีกมากมายส่วนเวลาที่จะได้ฟังธรรมะแท้ๆมีไม่มากหรอกการฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยเราฟังกันด้วยใจนะใจเราต้องมีสมาธิพอสมควรแต่ไม่ใช่สงบลึกเข้าไปจนกระทั่งฟังอะไรไม่รู้เรื่องธรรมะนั้นเราฟังไปเพื่ออะไรฟังเล่นๆไม่ได้ไม่มีประโยชน์ธรรมะนั้นต้องฟังแล้วเพื่อรู้วิธีปฏิบัต ฉะนศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่คิดคิดเอาไม่ใช่ปรัชญาเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทําการฟังธรรมนั่นเป็นแค่การเรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติเท่านั้นเองการปฏิบัติธรรมนะจริงๆแล้วฟังแล้วเหมือนยากในทางปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรตอนแรกต้องรู้ก่อนเราปฏิบัติเพื่อถอดถอนใจของเราออกจากความทุกข์ นี่เป็นงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะทำยังไงเราจะมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์หรือมีความทุกข์ที่น้อยลงน้อยลงเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิตที่จมอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อยๆหรือจมอยู่ตลอดกาลนะงั้นเป้าหมายของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อปลดปล่อยจิตใจเรานะออกจากความทุกข์วิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ใจเราพ้นไปจากความทุกข์นะ คนทั่วๆไปเวลาคิดถึงความทุกข์นะก็จะไม่อยากเจอไม่อยากพบไม่อยากเห็นเวลาทําบุญก็ต้องอธิษฐานเจ้ประคุณอย่าให้เจอความทุกข์เลยนะห่างร้อยโยดแสนโยดอลไรก็ตั้งใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์เพราะเราหนีไม่ได้อะไรบ้างที่เป็นทุกข์กายเราเป็นทุกข์ใช่ไหมเราจะหนีกายเราได้ไหมจิตใจเราเป็นตัวทุกขนะ์ความทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจนึกออกไหม แล้วเราจะหนีทุกข์จะหนียังไงหนีจากกายเหร อ, หหรอมันหนีไม่ได้งนั้นท่านเลยไม่เคยสอนให้เราหนีทุกข์นะท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ก็คือการเรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเราเองไม่มีทางเลือกอื่นเลยเคยได้ยินสูตรอันหนึ่งไหมชื่อมหาสติปัฏฐานเกีย่ยวกับมหาสติปัฏฐานนี่มีอยู่หลายสูตรนะถ้าสูตรใหญ่ที่สุดกว้างกว้างที่สุดเท่านเรียกมหาสติปัฏฐานสูตร บางคนก็เลยพลอยเรียกการปฏิบัติว่าปฏิบัติมาหาสติปัฏฐานไม่ใช่สติปัฏฐานเท่านั้นแหละแต่สติปัฏฐานมันมีหลายพระสูตรสูตรใหญ่เรียกมาหาสติปัฏฐานมาหาสติปัฏฐานนะถ้าเราไปดูหรือตัวเรื่องของสติปัฏฐานนะถ้าเราไปดูให้ดีนะมันจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้กายรู้ใจเท่านั้นเลยเป็นการฝึกให้มีสตนะิเราก็รู้กายฝึกให้มีสติรรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายบ้างในใจบ้าง ฝึกให้มีสติแล้วก็รู้ทันความปรุงแต่งในจิตใจของเราที่ปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างนะอย่างปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงขึ้นมาหรือเรียนรู้กระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะเช่นนิวรมันเกิดได้ยังไงขันห้ามันมาได้ยังไงมันทํางานยังไงอะไรเนี้ยนะโพดชงเจ็เป็นยังไงนะอย่างเรื่องนิวร น, นี้ก็เป็นเรื่องความปรุงฝ่ายชั่วนะทั้งโพดชงเป็นความปรุงฝ่ายดีนะ เรื่องรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราอันนี้แล้วก็เรื่องอริยสัจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกระบวนการของธรรมะทั้งรูปธปรรมทั้งนามธรรมเรียกว่าอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ใ, นในสติปัฏฐานนี้มีสี่หมวดหมวดเรื่องของการมีสติรู้กายเนืองเนืองมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนะมีสติระลึกรู้ความปรุงดีปรุงชั่วซึ่งเกิดขึ้นในใจ แล้วก็มีสติรูนะ้ความเคลื่อนไหวการทำงานนะของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วเลยนะอันที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่ว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติวิธีที่หนึ่งสองสามนะจะรู้กายรู้เวทนาคือความสุขทุกข์หรือรู้จิตที่ปรุงดีปรุงชั่วก็ตามสุดท้ายเราจะลงมาที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนแหลนะจะลงมาแจ้งอริยสัจมารู้อริยสัจด้วยกันทั้งหมดนะ่ะ สามใดที่ไม่รู้อริยสัจนะยังจะเปียนไหวตายเกิดอีกนการที่จะเจริญสติปัฏฐานนะเรามีสติคอยรู้กายหรือรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้ความปรุงดีปรุงชั่วรู้พวกนี้ไปก่อนนะการรู้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยบางคนก็รู้ได้แต่ว่ามันละเอียดดูยากนิดหนึ่งเนีย่ยเราจะเห็นกระบวนการที่จิตมันปรุงกิเลสขึ้นมานะเห็นกระบวนการที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมานนะ นเนี้ยดูยากนิดหนึง่งแต่ว่าหัดตามที่หลวงพ่อสอนนะสักพักหนึ่งก็จะเห็นเองว่าพอมีตาตาไปกระทบรูปนะก็มีการส่งสัญญาณจากตานะเข้ามาที่ใจเกิดการตีค่าทางใจการให้ค่าขึ้นมาตีความว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรแล้วก็เกิดการให้ค่าว่านี่ดีไม่ดีนี่ชอบไม่ชอบนกะ็จะเกิดความปรุงดีปลุงชั่วขึ้นมาแล้วกเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้พวกเราสุดท้ายเราจะเห็นนะ ท้ายเราจะเห็นถ้าเห็นลึกลงไปอีกเราจะเห็นตั้งแต่ต้นต่อเห็นต้นต่อของความทุกข์ของวัฏฏะสงสารก็คือตัวอวิชชากว่าจะเห็นตัวจิตอวิชชาได้แจ่มแจ้งเนี่ยพวกเราต้องเป็นพระอนาคามีก่อนนะเราถึงจะเห็นตัวนี้นั้นตอนนี้ยังไม่ต้องฟังคร่าวๆไว้ก่อนนะเหมือนกับดูภาพจากแผนที่ไปก่อนแต่การลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเราลงมือมาเรียนรู้กายรู้ใจธรรมดาธรรมดาของเรานี้แหลนะ รู้รู้อยู่ที่ร่างกายนะค่อยคสังเกตไปร่างกายของเราจิตใจของเราเนียมันมีอยู่ตลอดร่างกายไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมแต่เราลืมร่างกายบ่อยไหมวันวันหนึ่งลืมกายบ่อยไหมลืมตอนไหนตอนนอนหลับไม่ต้องนับนะอะไไม่มีอ่ะตอนที่เราไปคิดนึกออกไหมเวลาที่เราไปคิดเวลาที่เราไปดูเวลาที่เราไปฟังเวลาที่เราไปดมกลิ่น เวลาที่เราไปสนใจในรถนะสนใจในสิ่งที่มากระทบร่างกายสนใจในเรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งในขณะนั้นนะเราจะลืมร่างกายของตัวเองเรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายนะงั้นเราไม่สามารถเจริญสติเจริญปัญญาเห็นความจริงของร่างกายได้ไม่สามารถเรียนรู้ทุกข์คือกายได้หรือเวลาที่เราใจลอยรู้จักใจลอยไหม เมอเมอเวลาใจลอยเวลาขณะที่ใจลอยบางทีก็เป็นสุขใช่ไหมบางทีก็เป็นทุกข์ใจลอยไปเป็นสุขก็มีใจลอยไปเป็นทุกข์ก็มีเราไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นใจลอยไปบางทีก็จิตเป็นกุศลเช่นอยู่บ้านก็ใจลอยวันนี้จะมาฟังหลวงพ่อโประโมทเทศนะจิตเท่เป็นกุศลอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ใจลอยไปคิดต่อจะมายังไงจะมาทันไม่ทันเลยนะชักขวนกระวายใจี่จิตชักปรุงความฟุ้งซ่านนะ เวลาที่เราไปคิดเรื่องดีก็ตามเรื่องไม่ดีก็ตามนะเราจะลืมรู้เท่าทันจิตใจของเรามีมีจิตใจเราก็ลืมหมดเลยจิตใจจะสุขหรือจิตใจจะทุกข์ก็ไม่รู้ตอนที่ใจลอยตอนที่ใจลอยไปคิดนะจิตใจจะดีหรือจิตใจจะเลวก็ไม่รู้อีกนะงั้นเมื่อไหร่ที่เราใจลอยไป เ, เรียกวาขาดสติขาดสตินะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมงั้นงานแรกเลยที่พวกเราจะต้องมา ฝึกกันให้ชำนี้ชํานาญก็คือฝึกให้มีสตินะคําว่าสติปัฏฐานนี่คือการฝึกให้เกิดสตินั่นแหละมีฐานที่ตั้งของสตนะิเอาอะไรมาเป็นเครื่องตั้งนะสตินี่มันเป็นตัวคอยรู้ทันนะว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี่เราเวลาจะซ้อมให้สติเกิดเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจก่อนรู้สึกนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้สึกไปบางคนไม่ชอบ ที่จะหายใจยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวอย่ตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนที่หลวงพ่อเทศให้ฟังพวกเราตั้งใจฟังสังเกตไหมเรานั่งอยู่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่านั่งอยู่ตอนที่หลวงพ่อกําลังเทศแล้วพวกเราตั้งใจฟังเนี่ยเราหายใจออกหรือเราหายใจเข้าเราหายใจอยู่ตลอดใช่ไหมแต่เราไม่รู้สึกนะตัวนี้เรียกว่าเราขาดสตินะขาดสติปัฏฐานมีสติในการที่จะฟังธรรมะแต่ขาดสติปัฏฐานคือไม่มีสติที่จะรู้กายรู้ใจ สติปัฏฐานนี่เป็นสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะไม่ใช่ของคนอื่นด้วยนะสติปัฏฐานนี่เป็นสติที่คอยรู้กายรู้ใจของตัวเองนะสติอย่างอื่นเป็นเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลอย่างตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลแต่ขณะที่ตั้งใจฟังธรรมะใช่ไหมมีกายลืมกายมีใจลืมใจอย่างขณะนี้หลายคนจิตใจมีความสุขมีความตื่นตัวไม่ซึมซึมใช่ไหมหลายคนจิตมันตื่นตัวมีเล็กน้อยที่ซึมๆมเนี่ย ถ้าเรามีสติตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดนั่นก็มีสติแต่ตอนนี้นไม่ได้ทําสติปัฏฐานเพราะว่าจิตใจสบายก็ไม่รู้จิตใจซึมซึมเขไม่รู้ร่างกายนั่งอยู่ก็ไม่รู้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าเขาไม่รู้นี่นเราพยายามมาฝึกฝึกให้มีสติอยู่ที่กายฝึกให้มีสติอยู่ที่ใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สามารถเรียนรู้ทุก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ทุกก็คือตัวกายตัวใจเรานี่แหละตัวทุกนะ งันเบื้องต้นเลยที่พวกเราต้องฝึกก็คือฝึกให้เกิดสติบ่อยๆฝึกสติปัฏฐานบ่อยๆคอยรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆอะไรทําให้สติเกิดขึ้นสติเป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ว่าทําเหตุให้เกิดสติได้นะอย่างไฟไหม้เนี่ยนะอยู่ๆไฟไม่ไหม้นะต้องมีเหตุไฟถึงจะไหม้เหตุที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนอะไรเงี้ย นะมีการจุดประกายสันดาบอะไรขึ้นมาแล้วไฟถึงจะติดขึ้นมาเวลาเราจะดับไฟไม่มีใครดับไฟได้แต่ไปดับเหตุของไฟเช่นไฟไหมเอาน้ําไปฉีดอันนี้ลดอุณหภูมิลงพออุณหภูมิลดลงใช่หไหมไฟก็ดับหรือบางทีเราก็เอาโฟมไปฉีดนะไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปไฟก็ดับเห็นไหมกระทั่งจุดไฟหรือดับไฟนะเราก็ทําไม่ได้จริงออกแต่เราทําเหตุทําเหตุอย่างนี้ก็จะเกิดไฟขึ้นทําเหตุอย่างนี้ไฟจะดับ การที่จะฝึกสติก็เหมือนกันเราทําสติให้เกิดไม่ได้หรอกเราต้องทําเหตุของสติอะไรที่เป็นเหตุของสติการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆจนจิตจําสภาวะได้แม่นยำนะํำจะทําให้สติเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะหรือสมาธิก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ปัญญาไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ต้องทําเหตุของมันทั้งหมดเลยวิมุติหรือมรรคผลนิพพานอะไรมรรคผลนะนิพพานไม่เกี่ยวนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับ มรรคผลเนี่ยไม่มีใครทําให้เกิดได้นี่เป็นเรื่องที่น่าฟังไหมพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าพิสูจทั้งหลายนะไม่มีใครทําจิตให้มันรู้มรรคผลได้หรอกจิตมันรู้เองถ้าเธอทำสามเหตุผลนะอันแรกศึกษาเรื่องศีลอันที่สองศึกษาเรื่องจิตอันที่สามศึกษาเรื่องการเจริญปัญญาถ้าเธอมีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วนะมรรคผลเกิดเองเหมือนชาวนา ชาวนาทำให้ข้าวออกรวงไม่ได้ให้ชาวนาทำเหตุที่ทำให้ข้าวออกรวงนะคือชาวนาฝนตกก็ไปไถนาใช่ไหมไถนาเสร็จก็ไปหวานข้าวหวานข้าวเสร็จแล้วก็ดูแลระดับน้ำนี่มีงานสามงานนะน้ำมากก็ อ, ออกน้ำน้อยก็เอาเข้าวนะดูให้พอดีถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนะที่เราทำได้จริงเราต้องทำเหตุของมันการทำสติให้เกิดก็ต้องทาเหตุของสติ คือหัดรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆนะในทางอภิธรรมเขาบอกว่าการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะส่วนเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิคือความสุขเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่ถูกต้องนะงั้นเราทำเหตุของสติก็คือรู้ทันสภาวะบ่อยๆนะสตินั่นจะเป็นสติรู้กายแล้วหัดรู้กายบ่อยๆหัดรู้จิตใจบ่อยๆนะ เวลามีอะไรเกิดขึ้นในกายปุ๊บเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกเองเราจะรู้ขึ้นมาเองนะไม่ได้เจตนารู้เลยว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้ขยับตัวตอนนี้เกาใครมานั่งในนี้แล้วยังไม่ได้เกาบ้างมีไหมนึกออกไหมบางคนเกาไปแล้วบางคนเอ้เกาหรือเปล่านะกำลังเกาอยู่ใช่หเออบางคนเอ๊เกาหรือยังนะเนะี่ยงงอะไรเราไม่มีสติในกายของเรา เวลาเห็นคนโทรศัพท์เคยเห็นไหมเดินโทรศัพท์ไปเรื่อยๆทําท่าแปลกๆรู้สึกไหมขณะนั้นเขาคุยเขารู้เรื่องที่คุยใช่ไหมแต่เขาไม่มีสติอยู่ที่ตัวเองบางคนนะเป็นผู้หญิงสาวสวยเลยนะเช้งกระเดะเลยนะคุยไปแลบลิ้นเรียปากไปเดี๋ยวก็เรียอีกเดี๋ยเอีกเดี๋ยวก็เกานอนเกานี่ไปเลยนะโธ่ทาไมอ่ะไม่มีสติอยู่ในกายไม่มีสติอยู่ในกาย ถ้าเราจะฝึกให้เรามีสติอยู่ในกายเนี่ยเราต้องคอยรู้สึกกายบ่อยๆวิธีที่จะ ร, รู้สึกกายบ่อยๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งเช่นนั่งหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าใจลอยแล้วรู้ทันหายใจออกรู้สึกตัวเอาใจลอยไปตอนหายใจออกรู้ทันหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจเข้าแล้วลืมตัวเองไปรู้ทันว่าลืมไปแล้ควคอยรู้ทัน หรือร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนรู้สึกร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายนอนรู้สึกร่างกายเดินคอยรู้สึกงั้นเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินแล้วเอาจิตไปไว้ที่เท้าอย่างนั้นต่ําต้อยมากเลยเดินจงกรมที่ถูกต้องก็คือเห็นร่างกายเป็นเดินเรารู้สึกอยู่ถึงร่างกายที่เดิน มีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันเดินเราจะรู้สึกว่าใ้ร่างกายที่เดินเนี่ยนะเป็นของที่ถูกสิ่งสิ่งหนึ่งรู้อยู่สิ่งที่เป็นคนไปรู้ร่างกายที่เดินนะเรียกว่าจิตนั่นเองเป็นคนไปรู้ร่างกายที่เดินเนี้วเราพยายามมาฝึกนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็าอาจจะสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปอารหังสัมมาสัมพุโทโธพระครวานะสวดมนต์ไปใจลอยหนีไปคิดแล้วรู้สึกคอยรู้ทันรู้ทันรู้ นะรู้ทันอย่างนั้นเป็นการรู้ทันใจนะถ้าอย่างสวดมนต์แล้วเราเห็นปากงับงับงับนะเรารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใเนะนี้เราจะเห็นต่อไปพอเราเผลอๆนะแล้ว ร, ร่างกายเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนานะสติมันจะมาเองจะรู้สึกตัวขึ้นเองครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยไปหาหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลรู้เรื่องแล้วละ่ะไม่ได้สงสัยอะไรในการปฏิบัติละ ไปออกตะเวนไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆที่ว่าท่านมีชื่อเสียงไปดูว่าท่านปฏิบัติยังไงเห็นหลวงพ่อเทียนนะกาลังสอนลูกศิษย์ที่เป็นฆลาวาสเนะี่ยขยับมือแล้วรู้สึกขยับมือแล้วรู้สึกเยี่ยหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวลูกศิษย์ส่วนมากเลยขยับแล้วถ้าไม่เพ่งใส่มือจนเครียดไปหมดแล้วนะเครียดพวกหนึ่งก็คิดไท่านี้แล้วต่อไปท่าไหนเนี่ยไม่ใช่เรียกว่ารู้สึกตัวนะนั่งคิดเอา พวกไม่นั่งคี้ก็นั่งเพลงเอาอีกพวกหนึ่งสุดยอดเลยขยับสวยเหมือนหลวงพ่อเทียนเป้เลยแต่นี้ออกไปนอกวัดแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะเลินไปเลยนะแต่มันขยับด้วยไขยสันหลังไปแล้วแบบนี้ไม่ใช่การฝึกสติแล้วนะงั้นจะฝึกสติเนี่ยอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวแค่รู้สึกคอยรู้สึกตัวอยู่ที่ร่างกายเคลื่อนไหวหลวงพ่อไปเห็นหลวงพ่อเทียนทำ เออเข้าท่าให้ลองดูบ้างหลวงพ่อเทียนนี่ใช้ได้นะพอไปเห็นอยนะ่างนั้นก็หลบเข้าใต้ต้นไม้เลยในวัดหลบสนามในนั่นแหละะแต่ว่าไม่ได้ทําอย่างเขานะ ท, ทําทีแรก็ชักยุ่งกันหลายท่าอย่างไรยยุ่งยุ่งมากไม่เอาละเราเป็นคนขี้โมโหโถสาจริตคืนกระบวนท่ามากลาคาญ น, นะหลวงพ่อเอาแค่นี้เองแค่ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกสบายๆไม่ใช่เครียดนะ อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ตึงเครียดไปเราแค่รู้สึกสบายๆรู้สึกรู้สึกเนี่ยขยับเล่นๆอย่างนี้นะไม่กี่วันอนะเล่นอย่างนี้ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนี้เพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้พะพอเห็นปุ๊บนะีดีใจนะดีใจเลยจะก้าวไปทักมันจะข้ามถนนพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นนะเราเคยขยับแล้วรู้สึกเนี่ยพอเท้ามันขยับนะสติกเกิดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อกี้ใจลอยไปแล้วเนะมื่อกี้ลืมกายเมื่อกี้ลืมใจ ตัวที่รู้สึกขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้เจตนารู้สึกนี่แหละเรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วต้องฝึกจนอัตโนมัตินะสติก็ต้องฝึกจนอัตโนมัติสมาธิก็ต้องฝึกจนอัตโนมัติปัญญาก็ต้องอัตโนมัติถ้าไม่อัตโนมัตินี่นะอริยมรรคยังไม่มีโอกาสที่จะเกิดนะเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะคนหนึ่งคนหนึ่งนะในวัฏสงสารที่ยาวนานนี่เรามีโอกาสเกิดอริยมรรคได้4ครั้งเท่านั้นนั้นแต่ละครั้งมีความหมายมากนะ ทุกคราวที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยแรกเลยจิตจะรวมลงที่จิตด้วยอำนาจของสมาธิอัตโนมัตินะสติจ ะ, ะระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาระลึกด้วยกำลังของสติอัตโนมัตินะปัญญาจะเข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่ได้เจตนาคิดนะจะเห็นสภาวะที่เกิดดับภายในสองสามขณะเองนะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดต่อจากนั้นเพราะฉนั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอัตโนมัติหมดต้องฝึกจนอัตโนมัตินะ เบื้องต้นมันไม่อัตโนมัติหรอกต้องฝึกให้มากเพราะนั้นกลับบ้านไปนะหรือไม่กลับบ้านก็ได้เวลาทำงานที่ไม่ต้องคิดเวลาทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะค่อยรู้สึกจะใช้รู้สึกร่างกายก่อนก็ได้รู้สึกจิตใจก่อนก็ได้กรรมฐานเนื้อทางใครทางมันไม่ใช่สายไหนดีกว่าสายไหนนะบางคนว่าพุทโธดีกว่าลมหายใจบางคนว่าหายใจดีกว่าพองยุบบางคนว่าพองยุบดีกว่าพุทโธ หรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดีที่สุดนี่ยังภาวนาไม่เป็นหรอกหรือขยับมือดีที่สุดทำจังหวะดีที่สุดไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่เหมาะกับเราอันนั้นแหละดีที่สุดแต่ดีที่สุดสำหรับเราอย่างหลวงพ่อหัดพานามาแต่แรกเนี่ยในขั้นทาสมถะทาสมาธินะลมหายใจเป็นกรรมฐานที่ถนัดที่สุดอนาปานสติงั้นหลวงพ่อก็บอกว่า ถ้าเราไม่เข้าใจการปฏิบัติเราก็จะบอกว่าหายใจดีที่สุดเลยอย่างอื่นสู้การหายใจไม่ได้แลอันนี้เข้าใจผิดมันดีสําหรับเราดังนั้นทางใครทางมันนะอย่างในขั้นเจริญวิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตเป็นหลักดูจิตเป็นหลักนะแล้วก็กายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกแต่ตัวเด่นมาอยู่ที่จิตก็ไม่ใช่ว่าต้องดูจิตเท่านั้นหรือบางท่านดูกายม า, ก, า, ยมาก็ไม่ใช่ท่านจะมาบอกว่ากายเท่านั้นดีที่สุด หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าครูบาอาจารย์วัดป่าเกือบทั้งหมดเลยนะเวลาสอนเนี่ยพุดโธพิจารนกายแต่เวลาหลวงพ่อเข้าไปเรียนกับท่านไ ม, ม่พูดเรื่องกายเลยนะสอนแต่เรื่องดูจิตเพราะว่าท่านเก่งแล้วนะเหมือนคนที่ขึ้นภูเขาสุดยอดแล้วขึ้นยอดเขาได้แล้วเนี่ยหันมารอบทิศทางเลยพบเลยทางขึ้นเขามีรอบทิศทางเลยบางคนชอบโลดโผนก็ขึ้นทางหน้าผาพวกขี้เกียจมากก็ขึ้นถนนมานะนทางขึ้นเขามีเยอะแยะไปหมดเลยงั้นการปฏิบัติไม่ใช่มีทางเดียวนะ มันทางที่เหมาะกับเราไม่จําเป็นว่าต้องเหมาะกับคนอื่นทางที่เหมาะกับคนอื่นไม่จําเป็นต้องเหมาะกับเราเราสังเกตตัวเราเองว่าทํากรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เอาอันนั้นนะคนไหนหายใจแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยหายใจแล้วเผลอไปไม่นานหายใจหายใจแล้วเผลอไปปุ๊บรู้สึกได้เร็วอย่างนี้ก็หัดหายใจไปบางคนดูท้องพองยุบแล้วเผลอไปแล้วก็รู้สึกตัวได้เร็วอย่างนี้ก็ดูท้องพองยุบไปเราฝึกเอาสติเราไม่ได้ฝึกเอามือเอาเท้าเอาท้องเอาลมอะไรหรอกนะ นั้นเน้นตัวที่ว่าอะไรที่ทําให้สติเราเกิดบ่อยเราก็ฝึกอ น, นั้นบ่อยๆแล้วค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตไปบาคนพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันเนี่ยรู้ทันไวกลับมารู้สึกตัวได้อย่างนี้ก็พุโทโธไปบาคนนึงชอบหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้สึกเลยหรือจิตไหลไปจับอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้สึกเลย จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้นะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วกรรมฐ า, านอะไรก็ได้ไปดูตัวเราเองในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่หลวงพ่อเคยเรียนจากท่านมาประมาณ40องค์30มสกว่าองค์40องค์ที่เคยเรียนด้วยนะเวลาท่านสอนกรรมฐานท่านเก่งจริงนะท่านจะดูว่าเราเหมกาะกับกรรมฐานอะไรแต่ว่าองค์ที่รู้เด็ดขาดนะ ว่าคนเนี้ต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนี้ในครูบาอาจารย์หลายสิบองค์นะที่เจอนะมีองค์เดียวที่รู้นะนอกนั้นไม่รู้หรอกองค์เดียวที่รู้ก็คือหลวงปุ่ดุลหลวงฟุ่ดุลเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกมากเลยนะเวลาเราเข้าไปหาเราไปขอเรียนกรรมฐานนะท่านไม่สอนนะท่านจะนั่งหลับตาเงียบไปเลยนะเกือบเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะ แต่ว่าคนไปเรียนด้วยมีไม่มากเลยถ้ามาทีอย่างนี้หลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะอาทิตย์หนึ่งยังไม่หมดเลยใช่ไหมไม่ไหวเานั้นนอนคนเข้าไปเรียนสักคนหนึ่งท่านหลับตาเงียบไปเลยเป็นชั่วโมงพอท่านลืมตาท่านก็สอนเลยแต่ละคนเนี่ยท่านสอนไม่เหมือนกันบางคนนะท่านบอกไปดูผมเส้นเดียวนะไปสอนสอนคนหนึ่งให้ไปดูผมเส้นเดียวนะคนนี้ตอนหลังมาบวชเป็นหลวงพ่อคืนนะ หลวงพ่อคืนตอนั้นยังไม่บวชหลวงปู่ ด, ดูลยให้ดูผมเส้นเดียวน้อยใจหลวงปู่สอนอะไรน้อยจังคนอื่นหลวงปู่สอนให้ดูอะไรเยอะแยะเลยเราดูผมเส้นเดียวไม่ดูนะเอะไม่ดูเราไปหัดทำคำประธา น, านฝึกใหญ่เลยตลอดพรรษาไม่ได้อะไรเลยมาฝึกอยู่ที่หินมะเป้งนะไม่ได้อะไรเสร็จแล้วพอพรรษานกลับบ้านที่สุดินก็น้อยใจตัวเองนะโ่าเราภาวนาไม่ดีเลยนึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ ด, ดูลให้ดูผมเส้นเดียว ลองดูสักทีสินึกถึงผมนะจับผมมีผมอยู่เนี่ยจับผมนะผมเส้นเดียวด้วยไม่เอาสองเส้นผมนี้รูปร่างอย่างนี้ผมมีสีอย่างนี้ผมมีกลิ่นอย่างนี้นะผมมันไม่สะอาดผมอะไรนะค่อยๆดูสัมผัสไปที่ผมนะค่อยๆดูจิตรวมปุ๊บเลยนะจิตได้สมัครชีพมาเลยบางคนท่านก็ให้ดูกระดูกเดินจงกรมไปเห็นกระดูกมันเดินอย่างหลวงพ่อนี่ไปเรียนกับท่านท่านให้ดูจิตเลย เนแต่ละคนยไม่เหมือนกันแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่จะชี้เป็นชี้ตายให้เราได้แบบเนี้มีองค์เดียวแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยท่านทํามาแบบไหนท่านจะสอนแบบนั้นใช่ไหมท่านเคยพุโทโธพี่นาคกายท่านก็สอนพุโทโธพี่นาคกายวงนี้ท่านเคยขยับมือท่านก็สอนแต่ขยับมือใช่ไหมใครไปเรียนท่านก็สอนอย่างเดียวกันหมดเงี้ยงั้นบางทีพวกเราไปร้อยคนพันคนมันได้ผลคนสองคนมันไม่ตรงกับจริตเรา นี่เราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ชี้จริตของเราได้เราต้องอาศัยสังเกตเอาสังเกตตัวเองว่าทําอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละนะพุโทโธแล้วรู้ตัวได้บ่อยเอาอย่างนั้นแหละเผลอไม่นานพุทโธแล้วเผลอไม่นานเอานั้นแหละหายใจแล้วก็จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ก็เอานั้นแหละนะฝึกอย่างนี้มากๆไปนะต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดเวลากรดขึ้นมาเวลากรธเนี่ยจังหวะหายใจเราเปลี่ยนรู้สึกไหม มันหายใจแรงขึ้นใช่ไหมเวลาโกรธหรือเวลามีราคะจังหวะหายใจก็เปลี่ยนใช่ไหมงั้นอย่างคนที่เคยหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะขณะที่เผลอไม่รู้สึกตัวเกิดโกรธขึ้นมาปุ๊บนะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนี้เนะี่ยสติระ ล, ลึกได้เลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลืมตัวเองไปแล้วจนะกลับมารู้สึกตัวได้เลยเนี่ยเครื่องมือสําคัญนะในการปฏิบัติก็คือฝึกให้มีสติให้ได้นะครั้งหนึ่งหลวงพ่อเจอหลวงพ่อคําเขียนใครรู้จักไหม ข้อควาเขียนภาวนาดีนะภาวนาลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะภาวนาองค์นี้นะภาวนาดีท่านบอกว่ามีคนนิมนต์ไปเทศท่านก็ไปเทศบอกให้มีสติมีสตินะแล้วฟอเทศเสร็จแล้วเข้ามาต่อว่าท่านคนที่จัดงานหลวงพ่อเทศอะไรสอนได้มีสติมีสติทําไมไม่สอนให้คนรักษาศีลทําสมาธิให้เจริญปัญญาท่านหัวเราะหลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็เล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วท่านก็หัวเราะ เขาบอกเขาก็ถูกของเขาเนอากอาจารย์ประมุ่เนาะเราก็ถูกอย่างของเราเมื่อไรมีสตินะศีลมันก็มานะเมื่อไรมีสติสมาธิมันก็มาใช่ไหมเมื่อไรมีสติปัญญามันก็มาได้ขาดสติตัวเดียวนะศีลก็กระเจิงหมดแล้วสมาธิก็ไม่มีหรอกปัญญาก็ไม่เกิดหรอกงนะั้นต้นต่อเลยนะของคุณงามความดีทั้งหลายมีตัวสติไว้นะมีสติแล้วก็รู้ว่าเราต้องทําอะไรตรงที่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรเนียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินไหมสติกับสัมปชัญญะ มีหมวดธรรมอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อธรรมที่มีอุปการะมากหมายถึงธรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลนะชื่อสติสัมปชัญญะสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวกํากับคล้ายๆลายแมนไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางว่าเราควรจะหายใจนะเรารู้สึกตัวนะเราไม่ลืมการหายใจไม่ลืมความรู้สึกตัวนะหรือเราควรจะดูจิตแล้วก็รู้สึกนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้นี่สำหรับคนที่ถนัดดูนามธรรมานะ ก็ด like at ูจิตไฟหรือบางคนถนัดด yeah. ูความสุขความทุกข์ก hmm. well, ็คอยเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดไปเรื่อยเห็นความสุขความทุกข์มันมานะตอนนี้นั่งสบายๆอ้าวเนี่ยความทุกข์มาอยู่ที่ขาละนั่งไปเรื่อยๆเอาความทุกข์หนีไปจากขาไปอยู่ที่เอวละเนี่ยคอยรู้สึกอยู่เนี่ยฝึกไปเรื่อยนะต่อไปเวลาเราเผลอแล้วมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจสติจะมาเองจะเกิดรู้สึกขึ้นมาเองนะหรือหัดดู จิตก็ได้นะใครสังเกตจิตของเราคนไหนขี้โมโหดูจิตขี้โมโหเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายดูอย่างเนี้ยนะคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะคอยสังเกตใจไหมใจอยากขึ้นมาก็รู้ใจหมดความอยากก็รู้เนี่ยหัดดูอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะทำไปต่อไปเวลาจิตมันโลภขึ้นมาแวบเดียวสติมจะเห็นเองว่าโลภแล้วจิตมันขัดใจขึ้นที่เดียวสติมันจะเห็นเองว่าวขัดใจแล้วปวดแล้วนะ เนี่ยฝึกนะใช้อะไรก็ได้ใช้กายก็ได้นะใช้ความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ใช้ความรู้สึกทางใจนะที่เป็นกุศลอาภุสลทั้งหลายก็ได้หัดดูมันบ่อยๆดูแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวดูแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่ดูเราไปเพ่งให้นิ่งนะดูแล้วไปเพ่งให้นิงนะงน่งเป็นสมถะกรรมฐานแลดูแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกต่อไฟพอมันเผลอนะพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายในความสุขทุกข์ในจิตในใจเราสติจะเกิดเองระ ล, ลึกได้เอง ตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นฐานที่สําคัญสําหรับที่จะต่อยอดขึ้นไปสู่คุณธรรมชั้นสูงขึ้นไปเพราะเรามีสติแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็ถึงงานขั้นขั้นที่2คือขั้นของการเจริญปัญญามีสติมีปัญญาการจะเจริญปัญญาเนี่ยอาศัยเครื่องมือสองตัวตัวแรกสติคอยรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรูนะ้ในกายก็มีร่างกายหาย ใ, ใจออกหายใจเข้าร่างกายสุขร่างกายทุกข์นเนี่ย ในจิตใจเ็ามีอะไรมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีดีมีชั่วนี่เกิดขึ้นในจิตใจเวลาที่เราจะฝึกให้เกิดปัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญนันหนึ่งเราต้องถอดถอนจิตออกจากโลกของความคิดนะมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้นะจิตของเราปกติเนี่ยหนีไปคิดตลอดเวลาเวลาที่จิตเราหนีไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่มเรามีจิตใจเราก็ลืมที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเราอาศัยนะ อาศัยสติเนี่ยคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันหนีไปคิดรู้จิตมันหนีไปเพ่งรู้นะฝึกเหมือนกับตอนที่ฝึกให้มีสตินั่นแหละนะแต่ว่ า, าถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสมาธิชนิดรู้สึกตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นนะแต่เพราะงั้นคาสอนที่หลวงพ่อมาแนะนำพวกเราวันนี้ที่ให้เจรษษษษษษษษิญสวตปฏิปานนะสิ่งที่เราจะได้คือได้ทั้งสติและสมาธินะ ถ้าเราอย่างเราหายใจเนี่ยถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเราก็รู้ตรงที่ที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าจะทําให้เกิดสติตรงที่รู้ว่าขณะ น, นี้จิตเคลื่อนไปจะทําให้เกิดสมาธิเนีเพราะฉะนั้นอาศัยสตินฝึกสตินี่แหละจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะส่วนสมาธิเนี่ยมันเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป ที่เคลื่อนไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองมันเคลื่อนไปคิดน่ะส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติเลยสภาวะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนึกถึงภาษาไทยคํานี้ได้ไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะเริ่มไม่รู้สึกแนละ้วไม่รู้จักจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะใครเคยได้ยิในไหมประโยคนี้จิตใจลืมเนื้อลืมตัวรู้จักไหมเนี่ยคนโบราณเก่งนะ เรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตรงสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะนั่นแหละคือสภาวะที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอมีสมาธิมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่จิตใจไม่หลงตามไปนะจิตใจเป็นคนดูมันจะเห็นเลยร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ย เป็นสิน ies, น่งที่จิตไปรู้เข้า like จิตเป็นคนรู้กายกระใจมันจะแยกออกจากกันนะจะรู้ส yeah, ึกว่ากายกระใจนี่แยกออกจากกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติไปรู้ความสุขความทุกข์นะจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้ตัวอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เพราะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายหรือในใจสติรู้ทานความสุขทุกข์นั้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจความสุขความทุกข์กับร่างกายเนี่ยแยกออกจากกันทั้งหมดเลย ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งโคละอนกันหมดเลยนะเนจะค่อยๆฝึกไปนะต่อไปกิเลสเกิดก็เห็นอีกนะกิเลสก็เป็นส่วนหนึ่งนะสติไปรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเช่นกําลังโกรธสติระลึกได้ว่ากําลังโกรธโกรธแล้วตอนนี้โกรธแล้วนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะรู้สึกเลยว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นโคนละานกันเราจะต้องฝึกจนกระทั่งเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคละานกัน ความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นโคนละอันกันนะความรอบความโกรธความหลงกับจิตเนี่ยเป็นโคนละอันกันค่อยๆฝึกอย่างนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยเราถึงจะข้ามไปสู่การก้าวไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากเราไม่สามารถแยกรูปนามกายใจออกจากกันได้นะมันกลายเป็นรวมกันอยู่ทั้งก้อนเนี้ยมันจะเป็นตัวเรานะเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหมคำว่าขันเนี่ยอย่าไปตกใจนะคำว่าขันภาษาบาลีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าส่วน แต่ว่าส่วนๆเท่านั้นเองในกลมหนึ่งก็มีห้ากองถูกเนี่ยนะกองก็เหมือนกับขันนี่เองหมายถึงเป็นส่วนๆเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวเรานะพระเจ้าท่านแยกไว้ห้าส่วนเรียกว่าขันห้าส่วนที่เป็นร่างกายนี่ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขทุกขเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความจำนะอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความ ปรุงดีปรุงชั่วเช่นรอบตรวจลงนี่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นตัวรับรู้ท่านเรียกว่าจิตหรือวิญญาณอคตินนะเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกเป็น5ส่วนนะถ้าเราสามารถแยก5ส่วนนี้ได้เราจะพบว่าแต่ละส่วนนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราดังนั้นที่เรามาหัดฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรามมีจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้ความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เรา จิตตั้งมั่นอยู่สติะระลึกรู้ความโลภโกรธหลงให้เห็นโลภโกรธหลงไม่ใช่เราตัวเราจะหายไปเหมือนกับมีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์ดูเหมือนมีจริงๆนะแต่ถ้าเราจับมันถอดเป็นชิ้นๆถอดเป็นส่วนๆนะเราจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมเราจับรถยนต์มาถอดนะเป็นลูกล้อลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเสียความเป็นรถยนต์ไปแล้วตัวลูกล้อเนี่ยไม่ไม่ใช่รถยนต์ละนะนะเอาตัวถังออกมา ตัวถังไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์เป็นรถยนต์ไหมเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใชถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์นะหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์สุดท้ายจะหารถยนต์ไม่เจอรถยนต์ไม่มีแล้วรถยนต์ก็คือการที่ส่วนต่างๆมาประกอบกันขึ้นมาแล้วกลายเป็นรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีมันเกิดจากส่วนต่างๆ5ส่วนนี้มาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมา งั้นที่เรามหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะมหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแล้วก็จะได้เห็นความจริงว่าแต่ละส่วนมันไม่ใช่ตัวเราพอจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บสติระลึกรู้กายมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้กายก็ไม่ใช่ตัวเราพอจิตตั้งมั่นปุ๊บสติไปรู้ความสุขทุกข์เข้าก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่ไปรู้สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเราเลือกได้ไหมสั่งได้ไหมให้จิตรู้แต่ความสุข สั่งได้ไหมไม่ได้สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้คือมันจะเห็นนะทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะจิตก็ไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้ร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตมันก็ไม่ใช่เราที่เป็นคนรู้กายกิเลสก็ไม่ใช่เรานะจิตที่ไปรู้กิเลสก็ไม่ใช่เราค่อยๆฝึกไปนะสุดท้ายมันจะพบความจริงว่าตัวเราหายไปเมื่อตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้านี่นะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ขันห้านั่นเอง แต่ว่าเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวเรานะความทุกยังมีอยู่นะแต่ไม่มีคนที่เป็นทุกไม่มีเราผู้เป็นทุกนะนั้นถ้าโสดาบันเนี่ยจิตใจนี่จะเปลี่ยนไปอย่างมห ah าศาลเลยนึกแบบพวกเรานึกนึกนึกแทบไม่ออกเลยนะความทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกนะความโลภโกรธหลงมีอยู่แต่ไม่มีผู้โลภโกรธหลงนะความสุขความทุกมีแต่ไม่มีผู้สุขทุกความดีความชั่วมีแต่ไม่มีผู้ดีผู้ชั่ว ร่างกายมีแต่ไม่มีเจ้าของนะจิตใจมีอยู่่ะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดดับไม่มีเจ้าของเหมือนกันไม่ใช่เราเหมือนกันฝึกให้ได้ตัวนี้นะความทุกข์จะหายไปอย่างมหาศาลเลยเพราะความทุกข์มันจะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะถ้ามีสติมีปัญญาขึ้นมามันเข้ามาไม่ถึงใจนะแต่ว่าถ้าเราพาวนาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะปัญญาแก่กล้าขึ้นนะี่มันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์ ความสุขทุกเป็นตัวอะไรไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุก็เป็นตัวทุกนะตัวกิเลสตัวกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นตัวอะไรก็เป็นตัวทุกอีกจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกถ้าปัญญามันแก่รอบสุดท้ายนี่จะรู้เลยนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปนี่ปัญญาในขั้นสุดท้ายนันจะเข้ามาตรงนี้เรียกว่ารู้ทุกเขี่ยมแจง เมื่อจิตมันรู้ทุกข์แจแจ้งมันรู้ว่าขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์แท้ๆนะจิตจะสลัดคืนขันให้โลกนะจิตกับขันนี่จะพลากออกจากกันเลยนะไม่ไม่รวมเข้าด้วยกันอีกต่อไปไม่ต้องรักษาอีกต่อไปเลยเป็นสภาวะที่อัศจรรย์มากเลยจิตของเราแต่เดิมเนี่ยคอยดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะจับอารมณ์น้นจับอารมณ์นี้เดี๋ยวกิเลสก็ปรุงจิตนี้เดี๋ยวกุศลก็ปรุงจิตนี้พอถึงขั้นสุดท้ายนะมันกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้อีก ม, <yak un> มีความสุขที่มหาศาลมีความสุขที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงพวกเราฝ่ายหาอิ ส, ะสระภาพอยากหาเสรีภาพหาอะไรในโลกนี้ไม่มีหรอกในจิตที่มันฝึกจนสุด ข, ขีดตปแล้วนะมันเป็นอิสระจริงๆนะเราจะมีความรู้สึกรู้เลยว่าจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยกับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์กับพระพุทธเจนะ้าเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันจิตมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกัน เป็นสิ่งเดียวกันด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันนั่นเองมันจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในภาวะนั้นนะไม่มีขอบไม่มีเขตนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาจิตของเรายังวิ่งไปวิ่งมาพอมมองออกไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเดี๋ยวก็ปรุงดนะีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วนะจิต ท, ที่ฝึกจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาเลยนะเพราะเพราะมันเต็มโลกธาตุนะใหญ่ ไม่มีขอบไม่มีเขตมันไม่มีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วเป็นอิสระไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อันนี้เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะนําเราไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงวันใดที่เราพาวนามาถึงจุดที่ว่าไม่ยึดถือในขันทั้งห้าแล้วไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากลับมาบ้านแล้วเรากลับมาบ้านแล้วชีวิตของเราที่เราหกระเหินอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเหมือนเด็กหลงทาง หาทางกลับบ้านไม่ได้นะร้องหม่มร้องไห้น้ําตาท่วมโลกอยู่งั้นนะแต่ละวันแต่ละวันเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่พ่อแม่ที่เราอาศัยเกิดนี่อยู่กับเราช่วคราวแนละ้วก็หายไปนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่เลยแต่วันใดที่ใจเราเข้าถึงธรรมถ้าแต่โสดาบันเห็นไปนะโซดาบันเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พระพุทธเจ้านะพระธรรมเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะเรารู้ว่าเรามีบ้านที่แท้จริงคือพันธิพาน แต่ว่าไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะเขคิดว่านีผ่านเป็นโลกโลกหนึ่งนะนั่นเป็นมิจฉาทิฐินิพานเป็นสภาวะที่สิ้นทุกข์สิ้นตัณหาสิ้นขันเราเรารู้ว่าเราคนโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองหลงทางอยู่แต่รู้ทางกลับบ้านแล้วรู้ว่าพ่อแม่รออยู่ที่บ้านยังไปไม่ถึงบ้านก่อยภาวนาไปเรื่อยนะวันใดที่ถึงขีดสุดของการภาวนาจะรู้เลยเรากลับมาถึงบ้านที่แท้จริงแล้วเราเจอผู้เทเจ้าแล้ว พระแท้เจ้าที่แท้จริงพระธรรมที่แท้จริงคนะาว่าพระสงฆ์เป็นยังไงเปแจมแจ้งอยู่กับใจของเราเองนะเป็นสิ่งเดียวกันนะต้องพูดพระธรรมพระสงฆนะ์ต้องฝึกนะนี่แหละงานสําคัญที่สุดในชีวิตของเรานะกลับบ้านให้ได้นะจากเด็กที่หลงทางนะบางคนบอกชื่อว่าฉันเด็กหลงทางฉันอายุตั้งหกสิบกว่าแล้วนะก็ยังเป็นเด็กหลงทางอยู่ดีแหลนะเรารู้ไหมว่าตายจากชาตินี้แล้วเราจะเจออะไร เด็กหลงทางนะเราไม่รู้เลยนะว่าข้างหน้าเราเราจะเจออะไรอย่าว่าแต่ตายแล้วไปเจออะไรเลยเย็นนี้จะเจออะไรรู้ไหมโถเด็กหลงทาง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าวัวแต่หลงทางไปตลอดชีวิตนะกลับบ้านพระพุทธเจ้าอุตส่าห์จุดประทีปขึ้นมาแล้วให้แสงสว่างเหมือนทำประภาคารนนะให้เราเห็นทิศทางนะหน้าที่เราเรียนรู้วิธีที่จะกลับบ้านให้ได้นะพัฒนาเรียนรู้ ความเป็นจริงของกายของใจให้ท่องแท้นะแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงของเราเราจะไม่ไม่มีความเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายจะไม่มีความเดือดร้อนเพราะการพลัดพลากจากสิ่งที่รักเพราะการเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะความอยากใดๆนะชีวิตจะเต็มจะอิ่มอยู่ในตัวเองนะมีความสุขมหาศาลเเรื่องอะไรต้องจมกับความทุกข์ตลอดไปนะ งั้นเด็กลงทางทั้งหลายพากันกลับบ้านนาะเอาละวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะกลับน้ำสักการหลวงพ่อครับก็เป็นครั้งแรกที่มีบุญมากลับน้ัสักการหลวงพ่อครับก็ติดตามซีดีฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็นำมาปฏิบัติเห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันเรียนรู้สึกบ้างไหมก็รู้สึกเยอะมากครับนะ สังเกตไหมว่ากายกระใจเป็นโคนละอนดูออกไหมดูกครับสังเกตไหมว่าความสุขความทุกข์กระใจกโคนละอับก็กิเลสกระใจกโคานละอับต่อไปเวลาความทุกข์เกิดในร่างกายอยู่ที่กายนะไม่ได่อยู่ที่ใจครับอะไรๆก็แยกออกไปหมดนะดีที่ฝึกอยู่ก็คือก็คือสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าขณะที่ว่าเดินจงกรมอยู่นี้จะรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าเห็นเห็น การทำงานของขันห้าเกิดขึ้นออออคือว่าจิตเราไปจับอารมณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าจิตไปจับอารมณ์ออืแล้วจากนั้นก็จะมีความปรุงแต่งเข้ามา ม, มาปรุงแต่งคล้ายๆว่าเล่นละครให้เราดูออืจากนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าทุกข์หรือว่าสุขอันนี้นะปฏิป ม, ม, มันขึ้นมาถึงขั้นที่เห็นธรรมานุปัสสนาละนี่เห็นกระ บ, บวนการของปฏิจจสม บ, บาติพอนะพอความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาปุ๊บ สติก็ดีตัวขึ้นมาเลยครับออืก็มาตัดจุ๊บก็ดับไปเลยออืแล้วก็จะแบบเป็นวัฏจักรก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับขึ้นใหม่ดับขึ้นใหม่ดับเราไม่ได้เรียนเพื่อจะดับมันแต่เราเรียนเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นจะดับดับขึ้นมาเองพอสติเกิดขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างดับหมดเลยก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันก็ดูแบบเหมือนกับวิ่งผัดอะครับวิ่งปัดไม้ต่อไม้ออืวิ่งส่งถึงเส้นชัยมันก็หยุดออื อยู่ได้ไม่นานมันก็วิ่งอีกก็ขึ้นมาอีกส่วนท้ายดูไปด้วยนะมีแต่ทุกข์นะมันบังคับให้เราวิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยทีนี้ก็เลยพยายามสอนสอนจิตบอกว่าให้ให้ดูดูซิว่าขันท่าเนี่ยมันเป็นยังไงอืก็เลยคิดนําให้สอนสอนเข้าไปในตัวว่าตัวเขาว่าเขาเกิดดับตลอดทั้งวันออืแล้วที่นี้ว่าสาระสําคัญของเขาอยู่ที่ไหนไม่มีตัวมีตนอืแล้วก็ว่าเป็นของชั่วข่าว พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปการคิดนำเนี่ยนะเราคิดนิดๆหน่อยๆนะห้ามคิดตลอดเวลาครับเพราะว่าความคิดกับความจริงเนี่ยโคแลนกันครับเราคิดเพื่อนําล่องให้จิตมันดูความจริงตอนนี้ต่อไปเราก็ดูความจริงของจิตครับดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะมีอะไรที่ว่ามันก็จะแนะนำไหมครับอย่าใจร้อนนะอยากเร็วๆไม่ได้นะครับยังอยากอยู่ครับตอนนี้สภาวพหน่วงๆเนี่ยว่า กดกดยังยังแรงไหมครับไม่แรงไม่แรงใช่ไหมครับดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาติดสมถะติดเพ่งมากครับแ อ, อ่พอรู้จักตรงนี้นะมันก็แก้ได้ไปแก้ได้มันก็เดินปัญญาได้ครับแต่ก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆคนมันไม่เข้าใจนะบางคนติดสมาธิติดสมถานะเราตั้งแก้มันบอกว่าหลวงพ่อประโมดบอกอย่าทําสมถะไม่เข้าใจเราหรอกเราปรับสมาธิให้ถูกซะก่อนเนระับสมาธิถูกเพราะแล้วมันถึงจะเดินปัญญาได้ แล้วส่วนเวลาจะพักผ่อนจะทําสมถะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคิดว่าทําสมถะไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องสมาริคนละชนิดเกิดไปทํานะไปได้ทั้งสองอย่างดีเลยทั้งสมถะทั้งมิปัสนาเมานมัส ก, การหลวงพ่อครับก็ตอนนี้ใจเป็นกลางมากขึ้นครับแต่ยังมีถลําไปอยู่ครับผมแล้วก็เวลาผมดูสภาวะในตอนที่บางทีจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่าน เวลาตัวเองเระลึกขึ้นมาอยากจะดูสภาวะยังมีความหาสภาวะอยู่ครับแล้วก็มีถลำรู้นะครับาบางทีติดนิ่งครับผมยังมีทำมุทะจะอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้พิจารณาบางทีปัญญามันลําหน้าไปครับลําหน้าสตินะครับแล้วก็แต่กําลังสมาธินี้ตอนนี้ดีขึ้นครับวิริยะดีขึ้นครับผมตั้งแต่เริ่มมาดูกายแล้วดีขึ้นครับผม ใช้กายเป็นฐานก็ดีขึ้นครับ ừ ừ ừ ừ. แต่คือบางครั้งใช้ใจอย่างเดียวเนี่ยทลิเนี่ยเกิดบ่อยต้องใช้กายร่วมด้วยครับผมเนี่ยเราต้องดูตัวเองนะว่าใช้กรรมฐานอะไรถึงจะเหมาะ <c oughs> เราใช้กายเหมาะเราก็ใช้กายสุดท้ายมันก็เห็นขันห้าแสดงใจรักนั่นแหละแล้วดูเป็นฉลาดที่ในการรู้ว่าเรามีสภาวะอะไรอยู่ดีใช้ได้ มีที่เสิร์ฟนี้คือกำลังสมถะใช่ไหมครับสมถาก็ต้องทำนะครับทำให้ใจได้พักเป็นช่วงๆเดินปัญญารวดไป ใ, ใจอย่าแห้งแรงครับมันจะเหนื่อยผ ม, ผมมีแค่นี้ครับหลวงพ่อครับผมครที่ส่งกันบ้านคนแรกอ่ะเวลาเราทำกรรมฐานนะสังเกตอันหนึ่งจิตมันถ้าจิตมันส่งออกไปกวานนะจิตมันส่งออกไปดูอะไรเงี้ยให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนออกไปนะนะจิตไม่ตั้งมั่นจริงจิตส่งออกไปดู ให้รู้ทันว่าจิตสออกไปดูจิตถือตั้งมั่นเป็นคนดูจริงๆขออนุ ญ, ญาตเรียนถามกราบเรียนถามแทนนะครับเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำสมาธิทุกวันนะครับแต่ใช้วิธีสำรวจจิตใจในการทำกิจกรรมต่างๆแทบทุกวันนะครับเขาก็สงสัยว่าเอที่ทำอยู่มาทั้งหมดนี้มันถูกต้องไหมถูกนะถูกเป็นลำดับเลยน ะ, ะ, ะเกค<ำ>ํมต้นเนี่ยเวลาทำกิจกรรมแล้วก็คอยสำรวจ ความรู้สึกขอตัวเองใช่ไหมต่อไปเนี่ยเราจะละเอียดขึ้นไป่เนระาจะพบว่าความรู้สึกนี้เปลี่ยนเร็วไม่ใช่เพราะตอนไปทํากิจกรรมหรอกนะในขณะที่ตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ย น, ใ, นให้ดูให้ได้ละเอียดละเอียดอีกคำถามหนึ่งก็คือเขาถามว่าแค่เนี้ยพอไหมถ้าไม่ต้องทําสมาธิคือเขาต้องนั่งทุกวันสมาธิ ม, มันจะมาเองสมาธิเขาดีนะ เป็นแผลให้เขาฝากเขาแล้วกัน<ม>นะกับนวัตสการหลวงพ่อครับอของผมคงคงไม่ได้เหมือนกับท่านอื่นนะแต่คงดูแค่จิตมันมีกิเลสก็ดูแค่นี้นครับแค่นี้พออยู่ใช่ไหมครับแต่ะละคนถ้าชอบถามว่าพอหรอพอต้องเป็นพระอรหันนะ <laughs> <laughs> ยังไม่พอหรอกแต่ละคนแล้วต้องทําอีก เพรผมก็เอางี้นะ<ป>สังเกตดูถ้าใจเราฟุ้งซ่านนใจกระจายออกนอกอะไรเงี้ยต้องรู้ทันนะจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆถ้าใจมันกว้างๆออกไปเนะียจิตเดียวไม่เข้าฐานจริงๆสมาธิไม่พอครับให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนออกเคลื่อนออกขนาะนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงไม่ถึงนะนะตัวเนี้ยที่ยังกวางอยู่เพราะงั้นถ้าเมื่อไรจิตไม่ถึงฐานนะขณะนั้นเดินปัญญาไม่ได้ S <S ให้เรารูถันบางคนไม่รู้ว่าจิตไม่เข้าฐานนะมันจะโล่งว่างออไปแล้วสบายมีความสุขนั้นเป็นปีๆเลยนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้ต้องย้อนกลับมาคอยดูกายดูใจมันทำงานกลั <S <S บนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตอนตอนนี้ก็พยายามดูกายอยู่คะ่ะรู้สึกตัวบ้างไม่ไม่บ่อยเจ้าคะ่ะส่วนจิตนี่ ก็ก็วางอุเบกขาวางใจเป็นกลางๆได้มากขึ้นสังเกตจิตนะอย่างเวลามันโกรธนะหรือมันหงุดหงิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีไหมมีคะ่ะนะเวลามันหงุดหงิดขึ้นมาแนละ้วเราก็คอยรู้ทันนะคําว่าวางใจเนี่ยไม่วางหรอกมันหงุดหงิดขึ้นมาไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะอความหงุดหงิดหายไปเราพอใจรู้ว่าพอใจไม่ต้องแกล้งทําเป็นเฉยๆนะไม่ต้องแกล้งทําเป็นว่าอุเบกขาค่ะนะมันชอบก็รู้มันไม่ชอบก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นนะ ใจเกลียดใจเรานะกิเลสอะไรเกิดบ่อยล่ะโทสะโทสะถูกหลวงพ่อถึงบอกว่ารู้ทันนะของคุณอนะ่ะมันไม่ได้ดูกายได้อย่างเดียวดูจิตก็ดูออกเหมือนกันเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดขึ้นมานะรู้หงุดหงิดล้วรู้ไม่ห้ามนะแค่รู้ว่าจิตกํลาลังหงุดหงิดอยู่เราก็จะเห็นวนะ่ามันหงุดหงิดเองอะ่ะเราไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยมันหงุดหงิดได้เองเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้น่ะจะได้พัฒนาเร็ว ตอนนี้ดูมันเหมือนจะดูเป็นเฉยๆไปเจ้าค่ะเฉยๆเนี่ยปิดแกล้งเฉยเปิดล็อกมันไว้เพราะฉะนั้นหนวงพ่อถึงบอกว่าอย่ารีบอุเบกขายินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ไม่ต้องเป็นกลางหรอกอุค่ะนักการเจ้าค่ะของคุณนะมีบนนุญนะกิเลสหลักคือโทสะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดนะดูดูตอนที่มันเกิดรู้ค่ะแต่ตอนที่มันดับไปนี่จะ มันมันดับไปตอนไหนนี่ไม่ค่อย้าวเวลาโทราสาเกิดเรารู้นะรู้แล้วเราก็ไปดูคนที่ทำให้เราโกรธต่ออะไรเงี้ยนะมันดับตอนไหนเราไม่ทันเห็นหนาะเค่ะอ่ะดับไปมัส ก, การค่ะพระคุณเจ้าตัวโยมเองเริ่มปฏิบัติประมาณสองปีกว่าแล้วมีครูบาอาจารย์แนะนำให้เรียนตามซีดีค่ะอตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ปล่อย ยังไงก็ไม่เข้าใจจนจ น, จนมีคนกระตุ้นให้ว่าให้รีบฟังแล้วก็ห้คอนเซปต์ให้เจอพอทีนี้ก็ฟังซีดีหงพ่ต้องทนน ะ, ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินธรรมะเลยฟังแต่อะไรก็ไม่รู้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิอะไรนะมันไม่เคยขึ้นมาถึงขั้นเจริญสติเจริญปัญญางั้นฟังทีแรกก็ยากถ้าฟังแล้วฟังอีกเนาะ ต้องจะเข้าใจแล้วง่ายง่ายจะตายไปต้องต้องต้องมาบังคับเริ่มบังคับตัวเองเฟังทั้งวันทั้งคืนอย่าให้เครียด น, น, นะครับพอเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองจะเพียนเพียนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มปรับตัวใหม่ได้แหละรู้ทันตรงเลยมันจะเครียดอะไรนะตอนนี้ก็เริ่มทําแบบสบายสบายจังเลยให้สบายกว่านี้อีก <c oughs> วันหนึ่งก่อนจะทํากรรมฐานต้องยิ้มไว้ก่อนยิ้มหวานหวานวานะ ยิ้มให้สบายใจแล้วค่อยดูเอาเนาะทีนี้เราเครียดง่ายแต่ค่ะพอมาเห็นในชีวิตประจําวัน mm. เห็นตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปนะคะ่ะถูกต้องแล้ ว, วเห็นไหมใจมันโล่งขึ้นค่ะใจมันเบาขึ้ น, ในเนใช่ไหมเห็นไหมว่าโลกมันห่างออกไปเห็นจ้ะค่ะแ ต, แต่ต้องฝึกนจะจนมันเป็นธรรมชาติจริงๆจ้ะค่ะแล้วแล้วมีขณะเนี้ยประคองอยู่เปล่าใช่จ้ะนะให้รู้ทันนะ เห็นสติอัตโนมัติเกิดในช่วงขับรถในถนนรู้สึกว่าจะสามครั้งจึงุบเองค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อใช่หรือใช่หรือใช่สิที่สอนหน้าไม่โกหกหรอกทำได้จริงนะนี่นะเพิ่งมียมนะอยู่เมืองการนั่งรถไปรถอย่างแตก รถมันหมุนอะไรรถมันฉาหลับหมุนหมุนเน่ยแกตกใจขใึ้มาแล้วแกก็เห็นจิตนะแกะตะครุบมีล็อกเกตหลวงพ่ออยู่อันหนึ่งนะตะครุบไว้ ล, กกล้วกเก็ก็ทำเองซะด้วยแกทำนะไม่ใช่หลวงพ่อทำ <c oughs> <c oughs> แกะตะครุบไว้นะจิตให้รวมปุ๊บเลยนะถอดจิตมาอยู่ที่วัด <c oughs> พอรู้สึกตัวบอกรถไปอยู่อีกฟากคลองหนึ่ง <c oughs> ไม่รถน้ำพังแต่ตัวไม่เป็นไร อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้อย่างนี้มันถอดจิตหนี <c oughs> อย่างนี้ไม่ใช่เรียกยยกกายแยากใจแนละ้ว <c oughs> แต่ว่าอาศัยที่เกิดสมาธินะ <c oughs> จิตรวมเป็นสมาธิเลยนะั่นเโรคประทาดดับนะพลังของสมาธิรักษาตัวเองไว้ <c oughs> ไม่ใช่โลงพ่อเก่งนะ <c oughs> รู้สีด์ <c oughs> ลวงพ่อนั้นใส่ไม่ดีอะลยชอบขับรถเร็ว เกิดอุบัติเหตุบ่อยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูเลยนะเห็นรถมันหมุนรถมันอะไร น, นะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะสติมันดีเ<ช>นี่ยถ้าไปด้วยสติก็ยังดีนะถ้าไปด้วยสมาธิเนี่ยถ้าเกิดร่างกายถูกรถทับแบนไปนะ <c oughs> แกจะต้องมาเป็นเทวดาอยู่ที่วัด <c oughs> โออย่างงี้ไม่เอานะ <c oughs> ตอนนี้ก็เพียรพยายาม ทำแบบสบายสบายแล้วก็ปรับใจในชีวิตประจำวันไปดูนะเราเป็นคนเครียดง่ายนะใช่ค่ะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอย่าใจร้อนภาวนาสบายๆไปไปทําเอาที่ทํามาก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะความทุกข์ก็น้อยลงไปเยอะแล้วไปทําอีกดีใช่เมตตาแนะนํานี่ไงได้แล้วหน้าไปทําอีกสาธุ ก็ยังไม่พอถ้าพอเราไม่ทุก์นะน่าว่ามากราบนมั้ำส ก, การาผ้ า, าจาย์ครับเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกครับแต่ก็ได้ฟังซีดีของท่านพ่อใช้ได้ดีถามจสงสัยอะไร <laughs> รับก็คือมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเมื่อปี 53ครับก็อยากจะกราบเรียนขอเมตตาหลวงพ่อครับคือวันที่10เมษายนปี53นะครับช่วงเช้าได้ไปเดินริมบึงแก่นนครกับเพื่อนทั้งหมด3คนแล้วก็ในขณะที่เดินไปนั้นก็เห็นสภาวะความโล่งโป่งซึ่งบางครั้งก็มีจุดมีต่อมขึ้นมาเพื่อนๆก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีจุดมีอะไรให้สังเกตตรงนี้นะ ผมก็เลยสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆจนรอบแล้วก็ช่วงเช้าสายๆมาทานข้าวก็สนทนาสนทนาธรรมกันในขณะที่สนทนาก็คุยกันเรื่อยเรืเปลื่อยนะครับก็คือไม่มีสาระอะไรแต่ในขณะที่สนทนาธรรมผมก็เห็นสภาวะคล้ายๆมีตัวอะไรโผล่ขึ้นมานะครับในขณะที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ก็ดูเฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เพื่อนก็แนะนาว่า ให้ไปดูหนังไปฟังเพลงทำตัวสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ตอนเที่ยงก็กลับไปบ้านไปทานข้าวเสร็จเรียบร้อยช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็ไปนั่งสนทนากันประมาณหคนนะครับก็คุยเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าบ้างคุยเรื่องธรรม ะ, ะทั่วๆไปบ้างผมก็นั่งสังเกตสภาวะจิตจของผมไปเรื่อยๆสุดท้าย พอถึงสภาวะหนึ่งเนี่ยมันมีตัวที่ตอนเช้าที่มันโผล่มาเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นตัวที่โผล่มามันมีแต่สภาวะโล่งโปรง่งแล้วก็หลังจากนั้นตัวมันก็ชาขึ้นมาครับพอตัวชาขึ้นมาตัวขนลูกทั้งตัวแล้วก็ร้องไห้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ร้องไห้อีกสี่คนสภาวะนั้นก็คื อ, อทีมนี้เล่เก่งก็ <laughs> <laughs> ครับกาศ เรียนนาสการก็สังเกตเราสิความเป็นเรายังเหลืออยู่หรือเปล่าต้องดูตัวนี้นะครับการวัดเนี่ยเราวัดด้วยกิเลสวมีกิเลสตัวไหนอย่างถ้าเวลามันเผลอๆมันคิดอะไรเผลอๆนะไม่ได้ตั้งหลักอยู่นะครับผมมันมีเราคิดเนี่ยแับว่าขั้นต้นเราก็ยังไม่ได้ค่อยๆสังเกตเรครับผมเคยมีข้าวหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงพ่อนะ ก็บอกว่าเนี่ยคล้ายๆท่านจบแล้วล่ะจบจิตแล้วหลวงพ่อบอกในเราเข้าฌ้นเข้าชาั้าชานเข้าสมาธิเข้าปุนะ๊บเนี่ยจิตวิ่งฟืดเลยใน ป, ปลอมวโลกบอกเ อ, อเห็นไหมจิตเคลื่อนเออ่อเห็นเห็นโอ้โหไม่ใช่พระรหันต์หรอกจิตยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่พอบอกนี้ปุ๊บนะใจท่านแป้วเลยเห็นไหมใจแป๊วเห็นไม่ใช่พระนาคาหรอก <laughs> เราดูกันที่กิเลส น, นะแต่ว่าตอนที่จะดูกิเลสเนี่ยห้ามจิตเหมือนตอนนี้ถ้าเราล็อกจิตไปนิ่งๆอยู่เนี่ยนะจะไม่มีกิเลสให้ดูต้องเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยต้องเล่นทีเพลอหรือจะดูออกนะค่คือสังเกตไหมมันมีเราคิดไหมค่ะผมือถ้ามันมีเราคิดนะเรามันยังไม่ขาด ค่อยๆสังเกตมันจะมีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนนะแต่ถ้าดูไปแล้วไม่มีเลยไม่เคยมี ท, ทั้งที่จิตไม่ได้ประคองไวนะ้ถึงจะเชื่อได้แต่ถ้าประคองอยู่เนี่ยเชื่อไม่ได้อย่างตอนนี้ไ ด, ได้ประคองไหมครับแตีววาสังมีสภาวะอยู่อยากกาตอนนี้ประคองไหมมีประคองนิดหน่อยโ อ, อ้ถูกต้องใช้ได้เนี่ย ถ, ถ้าเราประคองอยู่เนี่ยการวัดผลในขณะนี้จะวัดไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่สภาวะที่แท้จริงทีนี้ทําอย่างไรถึงจะไม่ประคองเพราะว่าติดเพ่งมาประมาณยี่สิบกว่าปีครับเออเพราะงั้นอย่าไปเชื่อมันใครดูกายบ่อยๆนะดูกายบ่อยๆถ้าเราติดสมถะนะติดเพ่งอยู่เนี่ยแล้วมาดูจิตเนี่ยมันจะวิ่งมันจะว่างไปจะไม่มีอะไรให้ดูงั้นในอภิธรรมเนี่ยท่านจะสอนว่ากายานุปัสสนานะเวทนานุปัสสนาสองอย่างเนี่ยหมอะกับคนเล่นฌาน ว่าสมาถายานิกนะคนที่ทําฌานทําอะไรแล้วจิตนิ่งว่างเงนี้ยจะมาดูจิตไม่ได้ไม่มีอะไรให้ดูมจะว่างเหมือนกับไม่มีกิเลสเพราะเราคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะไปดูไปร่างกายนี้จิตจะเป็นยังไงก็ตามร่างกายนี้ก็มีแต่ความทุกข์บีบพับ้นอยู่เรื่อยๆนะคอยเรียนรู้มันไปเรื่อยที่เขาคุณนอะดีแต่วนะ่าสว่างสวัยด้วยกําลังสมาธิมันเยอะครับผมครับ ไปหัดดูต่อนะครับไปดูช้ำแรกตัวเองออกมาช้ำแหลกบ้ำแหลกดูว่าคือมีกิเลสอะไรซ่อนอยู่บ้างให้ดูกายดูกายบ่อยๆครับผมจิตจะได้เคลื่อนออกจากการเพ่งครับผมครับกานมสการขอบพระคุณทำน้ำมัสการครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วทํายังไงรู้ทันครับโอ้เก่งแสดงว่าฟังซีดีบ่อยก็ มาส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองครับหกเดือนที่แล้วหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านว่าให้ตาไปตามรู้ตามดูใกล้รับใจนะครับในมุมของอนัตตาครับก็เวลาในชีวิตประจําวันกับการฝึกในรูปแบบก็เจอกิเลส ท, ที่บ่อยที่สุดก็คือลงไปคิดครับก็ไม่ทราบว่าที่ผมทํานี่ทาถูกหรอนะทาถูกนะนะกนะจิตใจพัฒนาไปเยอะเลยครับทาถูกแล้วละ ไปทำต่อจุดอ่อนของผมที่จะต้องอย่าใจร้อนนะอย่าอยากได้ผลภาวนาไปเรื่อยทำเหตุไปเรื่อยๆขอการบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับให้การบ้านแล้วนะให้ไปทำอีก <c oughs> แบบเดิม <c oughs> ใช่ไหมครับทำแบบเดิมทาแบบเดิมทามาถูกแล้วนี่ทาถูกแล้วเราทาต่อการทำไม่ถูกเราก็ต้องปรับไปรับเวลาเดินจงกลมนี้จะรู้สึกว่าออก จิตนั้งมั่นขึ้นมาแยากตัวออกมาได้เนี่ยอจะรู้สึกจะเฉยๆมากกว่ามันไม่ยอมมีมีกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้ถือเป็นเดินปัญญาบ้งหรือเปล่าครับถ้าถ้าเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็หนึ่งนะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอย่างนี้เดินปัญญาอยู่อันนี้เราเดินปัญญาโดยใช้กายเป็นฐานส่วนที่เห <nothing> ็นกิเลสโฟลากิเลสไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานี้เดินปัญญาด้วยการใช้จิตเป็นฐาน ถึงแม้จะนิ่งๆจะเฉยๆอยู่ก็จิตนิ่งก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันรู้สึกอยู่มีความรู้สึกอยู่ร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกรหรือจิตที่เป็นคนดูอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกเราบังคับมันไม่ได้แต่อย่าให้จงใจไปประคองจิตให้นิ่งนะไม่จะติดนิ่งไปถ้าหากตัวอื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่จิตคงที่อันนี้ยังไม่ถูกก็วจิตแดงเราก็ไม่สงวนเะอาให้นิ่งนะให้เห็นเลยตัวจิตเดงก็เกิดดับได้ ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงแต่เหลือจิตนิ่งเป็นคนดูอยู่อันเดียวเรานิ่งๆเนี่ยเราส ง, งวนตัวหนึ่งให้เที่ยงอยู่นะอย่าไปส ง, งวนตัวที่ไว้อย่างขณะนี้ส ง, งวนไว้ไหมอยู่ครับนั่นแหละส ง, งวนอยู่นะเต้องปล่อยปล่อยให้ตัวรู้มันทํางานแต่ของคุณไม่ได้ส ง, งวนอะไรมากหรืมตื่นเต้นมากเท่านั้นยังเป็นล็อกไว้ครับโดยธรรมชาติตัวรู้นี่เกิดดับอยู่สังเกตไหมเดี๋ยเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวคิดเดี่ยเป็นตัวรู้เดี๋ยวนั่นแหละไม่ไม่ใช่เป็นล็อกไว้หรอก ไม่มีปัญหาหรอกนะที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ได้ติดครับถ้าติดเนี้ยตัวรู้จะคงที่เด่นดวงอยู่นั่นเลยเป็นปีๆเลยแต่นี้เราเห็นเนี้ยตัวรู้เกิดดับเร็วด้วยเห็นไหมรู้เกิดดับวับบับบั บ, บ, บรู้ปุบ๊บไหลคิดปับ๊บรู้ปุบ๊บไหลคิดปับ๊บดีไปทําอีกขอบคุณครับขอาคนเนี้ยไปเดินบึงแก่นตะควาดียาเพ่งนะ อย่าเพ่งจิตนิ่งสว่างนิ่งนิ่งอยู่นะดูกายมันแก้วนํามัสมั่นครับหลวงพ่ออมาส่งกันบ้านตั้งแต่ปฏิบัติของหลวงพ่อมาประมาณปีนึงนะครับ mm hmm. ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อเรื่อยๆวันนี้ให้หลวงพ่อขอเนุญาตหลวงพ่อจวกเลยรัจุกเลยเหรอ <c oughs> เราไม่ใช่คนบ้านะจ้อใครก็จวกแล้อตอนนี้ถ้าถ้าล่าสุดที่ไปส่งที่วัดบูร์แล้วครับหลวงพ่อได้ ห้อยเมตตาพุโทโธแล้วก็จิตจิตตอนนี้ยังไม่ธรรมดาครับรู้สึกความอยากความอยากยังมีแต่เห็นชัดเออเห็นเห็นเร็วดีดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะครับอ่าปีหนึ่งทําได้ขนาดนี้ก็เร็วนะแรกๆสภาวะมันเห็นชัดมากแต่หลงังๆมันไม่ค่อยเห็นจะให้จิตมันไปนิ่งๆแล้วกันยังนิ่งมันไปแคบๆประคองความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะ อ, อมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้ามันปล่อยมันก็ หนงไม่เลยครับดูกายไปคือถ้าจิตมันเป็นล็อกอยู่ก็ดูกายเอเดี๋ยเห็นกายพยักหน้าใจเป็นคนดูค่อยๆอย่างนี้นะจิตจะค่อยๆคลายที่ล็อกออกก็สลับไปสลับมากายกับจิตดูกายไปด้วยไม่งั้นถ้าดูจิตรวดไปเลยแล้วมันเป็นล็อกอยู่างนี้นะมันไม่เดินปัญญานะ้วจะสบายสบาๆปัญญาปัญญามีมีเดินบ้างยังครัหลวงพ่อตอนนี้ยังสักถ้าถ้าล็อกอยู่จะไม่เดินนะ ตั้งแต่ผ่านมายังไม่มีมีสิไม่มีจะแยกขันได้ยังไงแยกขันได้เขาเป็นปัญญาเบื้องต้นนะแตมันต้องบ่อยกว่านี้ใช่ไหมครับอะไรนะต้องบ่อยกว่านี้ใช่ไหมครับทำเท่าที่ทําได้ไม่ใช่ว่าต้องทํานั้นต้องเท่านี้นะยิ่งบ่อยยิ่งดีใจหนีพิคิดไหมใช่ครับตอนนี้ใจหนีพิคิดเรารู้ใจอืึนอัดไหมอึดครับก็ใจอืึดอัดเราก็รู้แล้วยคอรู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับ ใจหนี้ไปคิดหรือยังไปแล้วครับเออใจ่นี้ไปคิดแล้วก็รู้เห็นไหมถามเมานะไม่มีอะไรก็เดินเดินอย่างนี้ต่อไปก็เนี่ยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเข้าไปนะอย่ันนี้ไปได้อย่าให้มันเป็นล็อกเฉยๆอยู่เวลาเวลาติดล็อกจะดูยังไงว่ามันดูกายไปถ้าถ้าล็อกอยู่เฉยๆนีรู้สึกสบายสบายว่างๆแล้วไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเลยสบายอยู่ตลอดใช่ใ่ อย่างนั้นแหละติดติดว่างพวกที่ดูจิตนะมักจะเปติดว่างเววิ น, ว, นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งนะชื่อโอภาสสว่างว่างสบายอยู่ตรงนี้แล้วไม่ยอมไปไหนแลไ้ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีไม่ดีชื่อมันก็บอกแล้ววิปัสสนุปกิเลส เ, เอาช่วงนี้เพิ่มเติมคืออย่างนี้ใช่ไหมครัหลวงพ่อใช่คืออย่าให้ไกลเพิ่มขึ้นเออดูไกลขึ้นอย่าให้จิตมันไปติดล็อกไว้ ตื่นเต้นไหมเต้นค่ะตื่นเต้นทำยังไงรู้ว่าตื่นเต้นค่ะเออแม่นี่ก็ฟังซีดีมาแล้สันสันนะคะเออคือไม่ได้รู้จักหลวงพ่อมาตั้งนานนะคะแตพอดีปฏิบัติธรรมมาจนอายุสี่สิบหกปีเลยบ่นว่าเอ๊ะจะตายไปเลยหรือเปล่าถึงไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนจะสอนทำให้เราเห็นแสงสว่างสักที มีแต่นั่งสมาธิแล้วก็สมาถะแม้แต่คําว่าสมาถะเพิ่งมารู้จากซีดีข้างของหลวงพ่อนี่เองนะคะอันนี้ก็นั่งไปแล้วก็กลับมาได้ฟังซีดีจากน้องชายก็เลยเอ๊ะทาไมเราไม่เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อนี่เลยก็ฟังเสร็จแล้วน้องเขาเลยแนะนําว่าไปเปิดเเว็บดูนะพี่แล้วก็ฟังก็นี่ก็เลยไปก๊อปปี้ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ฟังเลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอน ขันห้าไม่เคยได้ฟังก็รู้เพิ่งรู้<ม>อ่านหนังสือไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจเมื่อฟังของหลวงพ่อเทศ<ม>นะคะก็ปฏิบัติตามมาเรื่อยๆอยู่วันหนึ่งไปโรงเรียนหลวงพ่อเคยฟังซีดีแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าอ้าวปฏิบัติทำที่โรงเรียนทํางานที่รนั่นก็ทําได้<ม>ก็เลยวันชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอนชั่วโมงแรกว่างก็เลยเราเดินรอบจงกรมรอบโรงเรียนเช้ค<ม>าค่ะทบเอิญมีเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นมาเปนแสงสว่างว่าไม่เห็นตรงส่วนนะ ท้องลงหน้าอกจากข้างบนลงข้างล่างเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีตรวจเราเราปฏิบัติถูกหรือผิดกันแน่ถูกสิค่ะอ <c oughs> ันนี้ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆฮะแล้วท่ น, นี้จิตมันจะชอบตื่นช่วงตีสามมันก็จะตื่นตลอดนะหลวงพ่อ <c oughs> วันนี้ก็ดีใจมากกังวลมาตั้งตลอดทางว่าเอ๊ะทําไมจะได้มากราบหลวงพ่อแล้วฟังเทศหลวงพ่อ <c oughs> ก็เลยไปเปิดดูเว็บไซต์ <c oughs> เห็นว่าเออหาดูตั้งนานมาเห็นว่าเอ ขนแก่นก็อยู่ ใ, ใกล้ๆนี่เองอก็เลยมานี่ค่ะกังวลทงตลอดทางว่าจะมาถึงหรือเปล่าดีที่เห็นว่ากังวลค่ะพออนาใช้ได้แล้วนะขอบพระคุณค่ะเห็นไม่แมาใจเราไม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะเห็นไม่มันมันโปร่งมันโล่งนะค่ะโลกมันต้องห่างๆออกไปนะโลกมันแบนๆค่ะโลไม่มีอะไรค่ะค่อยๆดูไป แล้พิจารณาจิตนี่มันวุ่นวายมากแล้วกลับมาพิจารณากายสลับกันไปถ้าดูจิตแล้วมันฟุ้งซ่านวุ่นวายดูไม่ออกก็ดูกายค่ะถ้าดูกายไปแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องก็ทําสมถะอย่างนี้ถูกต้องนะใช่ไหมคะถูกสิแต่ง่วงนอนไปหน่อย<笑><笑>ใช่เจ้ค่ะเออยังง่วงไปค่กลับพระคุณค่ะตรงนี้มันไม่ใช่โมหะเป็นเรื่องร่างกายนะถ้าร่างกายง่วงเนี่ยคำแนะนําก็คือหาโอกาสนอนใช่ ค่ะว่วงก็นอนนะแต่ไม่ใช่ขี้เก um, ียจแล้วนอนนะก้าวิวก็กินไม่ใช่ตะกลาแล้วกินแล้วค่ะแล้วติดอารมณ์อะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ติดอะไรหรอกนอนไม่พอจ้าค่ะงานเยอะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบในพรสกราของพ่อปามโมดค่ะคืออยากกราบ ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเนี่ยบางคนตื่นเต้นมากกว่านี้นะพอเจอหน้าหลวงพ่อคว้าไม้ได้เจริญพรหลวงพ่อประโมดนี่จะตื่นเต้นไม่เท่าไหร่หรอยังนมัสการอยู่อยากขอคำชี้แนะหลวงพ่อค่ะที่ปฏิบัติที่ผ่านมาถูกต้องไหมไอ้ที่จะขอเข้ามาก็ตกลงนะเออการปฏิบัติจะมีอะไรนะรู้สึกตัวบ่อยๆดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานไปเหมือนดูคนอื่นค เกิดง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกของง่ายๆพวกเราไปทำซะยากเอง mm hmm. หายใจเรารู้สึกตัวแทนที่หายใจเรารู้สึกตัวบางคนก็หายใจแล้วก็ซึมไปเลยเพ่งเพ่งไปไงก็ไม่ดี mm hmm. ของง่ายๆไปทำซะวุ่นวายหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆ mm hmm. สดชื่นสดชื่นต้องอย่ น, น mm hmm. แล้วหนู เฝึกหัดรู้ลมหายใจค่ะแต่มันอึดอัดแต่มันชินที่จะวางนั่นนั้นหลวงพ่อถึงบอกไงว่าหายใจด้วยความรู้สึกสบายๆไงสดชื่นสดชื่นต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้หายใจเหนื่อยตายเลยแล้วแล้วที่วางจิตไว้ตรงกลางหน้าอกไม่ไม่ว่างไปเห็นร่างกายมันหายใจจิตใจเราสดชื่นเห็นหน้ากายมันหายใจอย่าเอาจิตไปวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ค่ะ อย่างนั้นอึดอัดขอทำสีน้อย่างนี้ค่ะไปทํานะพอหลวงปู่ก็พอทําได้ไม่ยากหรอกคุณภาพคนส่งกันบ้านดีขึ้นนะดีขึ้นรอบนี้ดีกว่าก่อนเยอะเลยกับนวัตการนะครับส่งการบ้านครั้งแรกในรอบแปดปีนะครับโอนานจังอยู่ไกลครับไม่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อครับอืมก็ในหลวงพ่อมาเองครับก็เลยเป็นบุญที่หลวงพ่อได้มาครับอ่า อยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ระหว่างเดินเข้าไปคุยกับแม่นะครับตอนเดินไปก็คือมีเราเนี่ยแหละครับเดินเข้าไปแต่พอตอนเสียงออกไปคุยมันเป็นคนอื่นนะครับเป็นจังหวะหนึ่งที่เกิดขึ้นครับใช่ยังน้าเราแยกรูปนามได้นะครับตัวตนมันจะหายไปครับแล้วก็ก่อนแล้วก็เห็นสภาวะละเอียดขึ้นนะครับอันนี้แบบโดยรวมนะครับแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งก่อนที่จะมาส่งการบ้านมากราบหลวงพ่อก็รู้สึกว่าตัวเองติดความสุขครับ ติดความสุขแล้วก็ก็รู้ไปนะครับเพราะว่าเคยส่งกับพี่มาลีพี่มาลีก็บอกให้ย้อนมาดูความพอใจในความสุขนั้นนะครับก็ดูมาเรื่อยๆจนกะว่าจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเรื่องนี้ครับว่าติดสุขแต่ก่อนหน้าเนี้ยทิดหนึ่งเจอภาษาที่มากระทบอัตตาแล้วมันทําให้เกิดความทุกข์คับเลยหลุดออกมาจบนั้งจากความสุขตรงนั้นก็เลยมาอยู่มาคุกกับความทุกข์อยู่ครับมันทุกข์ก็ทุกข์ไม่จริงหรอกครับ แล้วตอนนี้มันพอมันผ่านสถานการณ์นั้นไปมันกลับไปที่เดิมครับกล <Yeah. S 1> ับไป ม, มีความสุขเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหานะรเราภาวนาแล้วมีความสุขเนี่ยครับแต่ว่าภาวนาแล้วมีความสุขแล้วเราพอใจในความสุขไม่เห็นว่าพอใจอันนี้ถึงจะเป็นปัญหาครับอย่างหลวงพ่อมีความสุขทั้งวันเลยเห็นทุกตรงไหนเลยเนะี่ยเเราภาวนาคนมันมีบุญมันก็มีความสุขสิครันนี้พอมีความสุขแล้วราคะแทรกอย่างเนี้ยไม่ดีครับ แค่รู้ทันว่ามีราคาก็คแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นภาวนาไปบุญเราเยอะนี่เราภาวนาแล้วมีความสุขมีความสุขเป็นวิหารธรรมได้ไหมได้แต่ความสุขนั้นมันจะแปรปรวนให้ดูครับแล้วก็รู้สึกว่าโลกอยู่ห่างๆไปเรื่อยๆครับเออแต่อย่าดันมันนะครับมันเห็นเองครับ เ, ออเวลาโลกอยู่ห่างๆนี่ถ้าม่เห็นเองใช้ได้แต่บางทีเราก็ดึงจิตออกจากโลก อนี้ไม่ดีตรงนี้อยากรู้ด้วยครับว่าผมดันโลกออกอยากจิตครับผมอยากทราบด้วยว่าผมดันหรือตัวออกมาอ๋อเออเดี๋ยากไปต้านโลกมันอ๋อครับใจมันอยางต้านโลกครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคือผมไม่ชัดเจนนะผมเลยสงสัยว่าที่โลกมันห่างเพราะผมผลักมันออกไปหรือผมผมออกมาจริงๆครับเออเราผลักมันไปอ๋อครับทีนี้วิธีที่จะแต่ว่าเบื้องต้นจะผลักก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับ จนกระทั่งมันเห็นชํนา น, นาญแลมันคุนละอันกันแล้วต่อไปไม่ได้เจตนาจะผลักมันก็แยกแต่ถ้าชํนานาญในการผลักแล้วต่อไปผลักตลอดนี้ไม่ดีเลยนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับที่นั่นครโอ้เท่านี้ก<า>็เยอะแล้วขอบคุณครับการาบนวัสการกรรมฐานไม่เรียนเยอะหรอกประโยคหนึ่งนะบางทีเรียนทั้งสิบปีนะกราบนวัตการพ่อครับก็กราบขอบพระคุณแทน ญาโยมทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตแทนท่านที่จะถวายนะครับร่วมกั น, นครับก็ขอให้ทำจิตให้เป็นกุศลเป็นภาชนะ ร, รับรับบุญที่พวกเราได้มาทำร่วมกันในครั้งนี้นะครับแม้กระทั่งการทาทานการภาวนาแล้วก็การฟังธรรมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้แก่พระอาจารย์ปราโมทปาโมโช ขอพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชว์โปรดรับปัจจัยทายธรรมกับของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนานเทิรยนเหาวาริวหาภูราภริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกระปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุ สัพเพปูเรนตูสังคปาฉันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังอุทธาปจายโนจตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง เอาแล่วนะไปตั้งใจภาวนาเข้านะ